คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องราวของพระภูมิเจ้าที่ทะเลาะกันไหมคะแน่นอนว่าหลายคนคงจะใส่หน้าพร้อมกับคิดย้อนถามกลับนะคะว่าจะบ้าเหรอท่านอยู่ดีๆของท่านเอามาละเลงเละเทะทำไมท่านหมดกิเลสตัณหาไปแล้ว หมดความอยากทุกอย่างแล้วหลายคนคิดแบบนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรื่องนี้นะคะเอามาจากหนังสือของคุณเลิศริธิเวทนะคะอาจารย์เลิศริธิเวศค่ะบอกว่าก็ไม่ได้รู้ซึ้งอะไรมากมายนะักหรอกเกี่ยวกับพระภูมิเจ้าที่แต่คำว่าหมดกิเลสตัณหาแล้วก็ความอยากทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยพระภูมิเจ้าที่ก็ยังมีกิเลสมีตัณหามีความโกรธความหลงไม่แตกต่างอะไรกับมนุษย์ของเราเลยแต่ว่าพระภูมิเจ้าที่ เนี่ยเป็นผีนั่นแหละก็คงจะไม่ถูกเนาะเพราะว่าท่านเป็นเทวดาที่อยู่สูงกว่าคำว่าผีธรรมดาแต่ว่าจะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกับมนุษย์มากกว่านะคะเท่าที่คุณเลิศหรือว่าอาจารย์เลิศริิเวทนะคะท่านเขียนไว้ในหนังสือค่ะท่านก็บอกนะคะบอกว่าอ่เท่าที่ผมเห็นนะ ไม่ว่าจะเป็นบ้านผู้มีอันจะกินหรือว่าบ้านเศรษฐีร่ำรวยที่เป็นคนไทยคนจีนคนฝรั่งคนแขกคือที่นับถือพุทธ ในเมืองไทยตามหน่วยงานราชการหรือว่าแม้แต่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยทุกท่านมีสารพระภูมินะคะสําสหรับกราบไหว้บูชาเนื่องจากว่าเชื่อกันนะคะว่าท่านจะเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองภยัยให้กับผู้ที่อยู่อาศายัยแล้วก็ให้มีความสุขความเจริญปราศจากภายัยพันเข้ามาวุ่นวายค่ะอย่างในทำเนียบรัฐบาลนอกจากสารพระภูมิเจ้าที่แล้วยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆทางศาสนาพราหมณ์ไม่ว่าจะเป็นสาร พระพรหมเป็นต้นนะคะสำหรับสารพระภูมิเจ้าที่ค่ะความเชื่อของคนไทยนะคะหรือว่าคนจีนที่สืบสานกันมาหลายชั่วอายุคนแล้วคนไทยเนี่ยก็จะมีทั้งในที่บ้าน ที่อาศัยนะคะบริษัทห้างร้านเพื่อกราบไหว้เคารพถือกันว่าเป็นสิริมงคลกับตนเองแล้วก็ครอบครัวรวมไปถึงธุรกิจต่างๆให้มีความก้าวหน้านั่นเองนะคะคนไทยที่ไม่มีธุรกิจแม้แต่ว่าในบ้านเนี่ยก็มีสารพระภูมิเจ้าที่เช่นกันพระเชื่อนะคะว่าใครมีสารพระภูมิในบ้านก็จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้อาศัย แต่จะต้องดูแลให้ดีอย่าให้ขาดตกบกพร่องเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องไหว้โดยเฉพาะดอกไม้ทูบเทียนต้องจุดไหว้วันเว้นวันก็ได้นะคะหากมีเวลาน้อยก่อนออกจากบ้านอยากได้อะไรก็บอกแล้วก็ขอแล้วเจ้าที่จะดลบันดาลให้ประสบผลสําเร็จเขามีความเชื่อกันแบบนี้จริงๆนะคะ เนื่องจากมีความเชื่อว่าผีบ้านผีเรือนและพระภูมิเจ้าที่นั้นมีจริงทํานองว่าในบ้านเนี่ยต้องมีผีบ้านหมายถึงวิญญาณของบรรพบุรุษนะคะคอยปกป้องคุ้มครองลูกๆห ล, ล, ลานๆให้อยู่เย็นเป็นสุขบริเวณรอบบ้านก็ต้องมีพระภูมิเจ้าที่ตั้งไว้หน้าบ้านเสมือนหนึ่งว่าเป็นผู้รักษาความปลอดภยัยให้กับผู้อยู่อาศัยในบ้านแล้วก็เป็นด่านแรกก่อนที่ผีเกเรผีเร่ร่อนนะคะหรือว่าจนผู้ร้ายพวกลักเล็กขโมยน้อยเข้าไปในบ้านจะต้องคุยกันก่อน พูดง่ายคือเปิดศึกคุยกันกับเจ้าที่ก่อนพระภูมิเจ้าที่หรือว่าผีเจ้าที่เนี่ยค่ะถ้าดูแลดีผู้อยู่อาศัยนะคะก็จะได้รับการตอบแทนที่ดีนั่นคือมีความสุขความสงบในบ้านถ้าดูแลไม่ดีพระภูมิเจ้าที่ก็ก็กโกรธนะเรียกว่ากโกรธเลยแหละแล้วก็งอนเลยแหละนะคะอาจจะทำให้ครอบครัวอยู่แบบไม่มีความสุขก็เป็นได้ค่ะการมีสารพระภูมิจึงเป็นดาบสองคมนะ ทำดีก็ดีด้วยทำไม่ดีก็ไม่ดีด้วยถ้าจะให้ดีเจ้าของบ้านแล้วก็คนที่อาศัยในบ้านเนี่ยจะต้องให้ความเคารพนับถือตามสมควรค่ะทำการศักระด้วยดอกไม้ทูปเทียนในวันสำคัญต่างๆโดยเฉพาะวันพระวันธรรมดาก็ควรเคารพกราบไหว้ทั้งออกจากบ้านไปทาธุระหรือไปทางานก่อนเข้าบ้านก็ต้องไหว้ทุกครั้งถือเป็นกิจวัตรที่ต้องยึดถือปฏิบัติพระภูมิเจ้าที่ที่จะหน่วย วยชัยให้กับคุณอยู่เย็นเป็นสุขมีโชคมีลาบตามสมควรแก่อำนาจฤทธิ์บารมีของพระภูมิเจ้าที่ในระดับใดที่มาอาศัยนะคะ ส่วนพระภุมิเจ้าที่ค่ะก็เหมือนกับมนุษย์ของเรานี่แหละคือมีทั้งเก่งด้วยวิชาอาคมแล้วก็บารมีไม่เก่งเรื่องวิชาอาคมแต่ว่าจะปกป้องดูแลได้ในระดับหนึ่งโดยหน้าที่นะคะถ้าผู้ที่อยู่อาศัยแสดงตนไม่เคารพและก็ยังลบหลู่ดูแคลนนั้นพระภุมิเจ้าที่ไม่ช่วยอะไรเลยแถมยังจะทำให้เราอยู่ไม่เป็นสุขอีกด้วยค่ะฉะนั้นคุณผู้ฟังอย่าได้ทา อ, อย่าได้ทา นะคะคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ อ, อก็ขอให้อยู่ในใจก็อย่าได้ไปลบหลู่เป็นอันขาดนะคะเพราะว่าความเร้นลับค่ะที่เรามองไม่เห็นนั้นมีจริงหรือไม่มีจริงเราก็ไม่รู้นะคะการทําดีเราย่อมมีความสุขนะคะเหมือนกับการเข้าวัดทำบุญใจเราเป็นสุข หรือไม่ถ้าเข้าวัดได้กราบไหว้พระพุทธรูปนะคะเราก็คิดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีความสุขหรืออิ่มบุญในจิตใจเราถ้าเรามีความรู้สึกเป็นสุขก็แสดงว่าเราได้บุญกลับบ้านด้วยแล้วการที่เราได้กราบไหว้พระภูมิเจ้าที่ในบ้านของเราหากไหว้แล้วทุกครั้งไม่ว่าจะออกจากบ้านหรือเข้าบ้านเรามีความมั่นใจและมีความสุขนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราได้รับทันตา เรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้นะคะอาจจะแปลกแล้วก็แหวกไปจากเรื่องอื่นสักนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังทั้งหลายก็คงไม่เคยจะไปอ่านเจอหรือว่าไม่เคยได้ยินมาจากที่ไหนมาก่อนเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นหนึ่งในล้านของโลกเลยละค่ะด้วยตัวของคุณเลิศริติเวศนะคะเจ้าของหนังสือเรื่องเล่าจากหลวงปู่นะคะของสานักพิมพ์ไพลินค่ะก็บอกว่า ตัวของผมเองเมื่ออ่านเจอครั้งแรกยังไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้เลยก็จะให้เชื่อได้ยังไงล่ะขนาดนักเขียนนิยายเรื่องผีเรื่องวิญญาณเนี่ยเขายังอายเลยนะคือเรื่องอะไรจะพิลึกพิลั่นขนาดนั้นผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายที่อ่านเรื่องนี้หรือได้ฟังเรื่องนี้แล้วนะคะคงไม่เชื่อเช่นกันว่ามันเป็นเรื่องจริงขนาดว่ากลางวันแสกแดดปรี้งเปเรียงสาดแสงเต็มฟ้าและทั่วอาณาบริเวณเมืองหลวงคือ กรุงเทพมหานครพวกมันก็ยังสําแดงฤทธิ์ให้เห็นจัดตอนกลางวันกลางคืนพวกมันก็ไม่เลิกราอิดหินนี่บินกันว่อนแต่เรามองไม่เห็นผู้กระทําด้วยตาเนื้อนะและที่น่าเชื่อถืออ่าและที่น่าเชื่อและน่าจะเป็นจริงนะคะทําให้อ่านแล้วมีความรู้สึกเมื่ออ่านมาถึงบรรทัดถัดมาเพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นในบ้านของคนที่มีนามสกุลว่า กันสูตรค่ะคุณผู้ฟังฟังแค่นามสกุลคงพากันร้องอ๋อแล้วใช่ไหมคะถ้านามสกุลอื่นที่ไม่ดังในสังคมนี่คิดว่าน่าจะเชื่อยากเนาะเนี่ยเป็นบ้านของคุณเทียนกันสูตรผู้ร่ํารวยชื่อเสียงและก็ทรัพย์สินเงินทองของเมืองไทยอีกท่านหนึ่งค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยมีอยู่ว่าเมื่อครั้งที่คุณเทียนไปซื้อบ้านพร้อมที่ดินอยู่ใกล้สีแยกสาลาแดงบนที่ดินแปลงนี้เนี่ยมีบ้านอยู่สองหลังโดยมีรั้วแบ่งปันอนณาเขตเอาไว้ของใครของมันอย่างชัดเจนนะ บ้านส อ, สองหลังเนี่ยคือต่างก็ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ไว้คนละหลังแต่ว่าอยู่ ใ, น ใ, นในกล้ๆกันเพียงแต่มีรั้วบอกเขตกัน้นอนาเขตเท่านั้นต่อมาคุณเทียนที่เป็นเจ้าของบ้านคนใหม่เห็นว่าบ้านทั้งสองหลังเนี่ยเป็นบ้านของตนเองเพียงคนเดียวจึงต้องการให้บริเวณเนื้อที่เดียวกันจึงได้สั่งให้คนงานมารื้อรั้วกัน้นแล้วก็แบ่งเขตบ้านออกให้หมดเพื่อให้เป็นผืนเดียวกันพร้อมกับปรับเนื้อที่ให้ดูดี แต่ว่าศาลพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองแห่งค่ะยังอยู่เหมือนเดิมไม่มีใครกล้าแตะต้องจึงยังไม่ได้รื้อออกเพราะว่าการจะรื้อหรือว่าย้ายศาลพระภูมินั้นจะต้องเชิญพรามมาทำพิธีรืร้อเป็นขั้นตอนอขืนรื้อโดยพระการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนงานหรือว่าเจ้าของบ้านก็ไม่กล้าทำนะคะ ไม่กล้าเสี่ยงกับสิ่งเร้นลับที่มองไม่เห็นตัวค่ะทางที่ดีปล่อยไว้ก่อนใครเชื่อก็กราบไหว้บูชาใครไม่เชื่อก็ไม่ควรจะลบหลู่เพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ถูกไหมคะจากนั้นค่ะก็มีคนเข้ามาอยู่ในบ้านทั้งสองหลังนั้นก็ยังอยู่แบบสุขสบายนะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะว่าบริเวณเนื้อที่กว้างขวางแล้วก็ยังอยู่ใจกลางกรุงเทพอีกด้วยค่ะ ตอนที่ยายเข้ามาอยู่ใหม่ๆทุกอย่างก็เป็นปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นสารพระภูมิเจ้าที่ทั้งสองหลังก็ยังตั้งเคียงคู่กันอยู่เหมือนเดิมจะแตกต่างกว่าเดิมก็เพียงทุบรัวกั้นอาณาเขตทิ้งให้ไปอยู่ในผืนเดียวกันเท่านั้นนี่คือความต้องการของเจ้าของบ้านคนใหม่แต่ก็ลืมนึกไปนะคะว่าพระภูมิเจ้าที่2ตนจะร่วมกันได้หรือไม่เพราะมันเป็นความละเอียดอ่อนที่อยู่เหนือนโลกมนุษย์นะคะ ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าผู้ที่เข้ามาอยู่ใหม่จะเชื่อเรื่องผีเรื่องวิญญาณแล้วก็พระภูมิเจ้าที่หรือเปล่าไม่รู้จึงไม่เฉลียวใจสักนิดแล้วก็ก่อนจะเข้ามาอยู่เนี่ยได้จุดธูปเทียนบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางกราบไหว้บูชาพระภูมิเจ้าที่อยู่หรือเปล่า ซึ่งจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ฟังคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยก็จะมีความเชื่ออยู่ว่าไม่ว่าจะไปค้างแรมหรือว่าไปอยู่ที่ไหนต้องบอกเจ้าที่เสมอนะคะแล้วจะนอนหลับฝันดีแล้วก็อยู่สุขสบายไม่มีอะไรมารบกวนมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะคะในเรื่องนี้ก็บันทึกไว้กับว่าพออยู่มาอีกร ะ, ระยะหนึ่งก็มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นคืออยู่ๆมีก้อนอิฐก้อนหินลอยมาจากกลางอากาศหล่นโครมครามเปรี้ยงแป้งบนหลังคาบ้านเหมือนกันทั้งสองหลัง ทีแรกก็คิดว่าพวกนักเลงเจ้าถิ่นมาแสดงอำนาจอิทธิพลข่มขู่รบกวนเพื่อจะเรียกค่าคุ้มครองค่ะก็เลยพยายามจับตาดูความเคลื่อนไหวของเด็กวัยรุ่นและก็กลุ่มนักเลงหัวไม้ในซอยทุกอย่างก็อยู่ของมันปกติไม่มีเขาเงื่อนนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจากฝีมือใครในถิ่นนั้น ยิ่งอยู่ไปนานความรุนแรงจากก้อนอิฐ ก, ก้อนหินที่ลอยมาโดนหลังคาบ้านเนี่ยก็ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นลําดับไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงง่ายๆนะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนก้อนอิฐ ก, ก้อนหินก็จะปลิวว่อนมาจากอากาศกระหน่าหลังคาบ้านทั้งสองหลังโคลมครามเรียงปร่างผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านนี้กระต่างสะดุ้งผวาอยู่ไม่เป็นสุขจากการคว้างตาของมือลึกลับหรือมือที่มองไม่เห็นนั่นเอง ยิ่งไปกว่านั้นนะคะถ้วยชามและก็จานในครัวนี่ปลิวว่อนไปกลางอากาศจากบ้านหลังหนึ่งไปกระแทกบ้านอีกหลังหนึ่งดังเคร้งครางเห็นกันจัดจ่ะขณะที่มันลอยออกจากครัวไปไม่มีใครจับมันเครี่ยงหรือว่าปลา แต่ว่ามันลอยของมันออกจากครัวปลิวหรืออ่าไปกระแทกบ้านแต่ละหลังอย่างอัศจรรย์และที่แปลกและก็น่าอัศจรรย์ที่สุดคือถ้วยชามบ้านหลังนี้เนี่ยปลิวไปบ้านหลังนั้นแล้วก็ถ้วยชามบ้านหลังนั้นก็ปลิวมาบ้านหลังนี้แตกกระจุยกระเลื่อนไปหมดเลยนะคะ กระเบื้องแล้วก็ท่อนไม้ปลิวมายังบ้านแต่ละหลังไม่มีหยุดท่อนไม้เต็งขนาดใหญ่สี่คนหามที่เป็นสะพานพาดเป็นทางเดินข้ามท้องร่องนะคะก็ถูกมือลึกลับที่มองไม่เห็นเนี่ยจับเหวี่ยงขึ้นไปบนหลังคาดังโครมเสียงดังสนั่นหวั่นไหวก็ยังค้างอยู่บนหลังคานู่นแหละนะคะไม่มีใครเอาลงมาจะว่าลมพัดเหวี่ยงขึ้นไปก็ไม่เห็นมีลมพายุอะไรพัดรุนแรงขนาดนั้นที่จะหอบเอาท่อนไม้ขนาดใหญ่ขนาดนั้นขึ้นไปได้ คือจะบอกว่าถ้าเป็นคนปกติเนี่ยคงจะไม่มีใครที่มีกําลังมหาศาลขนาดนั้นว่าจะจับเหวี่ยงแล้วก็ขึ้นไปบนหลังคาได้นอกจากช้างรบนะคะผู้ที่อยู่อาศัยแรกๆก็เข้าใจผิดคิดว่าบ้านโน้นแกล้งบ้านหลังนี้ก็คิดว่าบ้านหลังนั้นแกล้งบรรดาคนใช้แทบจะดํามวยไทยกันค่ะแต่ว่าพอสังเกตคอยจับผิดก็เอาผิดกันไม่ได้เพราะว่าจานชามในครัวมันลอยขึ้นเองแล้วก็ถูกมือลึกลับจับเคลื่อนลอยและเลี้วไปบ้านอีกหลังหนึ่ง เดียวๆ เ, เท่านั้นค่ะจันชามของบ้านอีกหลังก็ลอยละรีวปลิวมากลางอากาศให้เห็นกับตาตอบโต้กันแตกกระจัดกระจายจนหลายวันผ่านไปนะคะเรื่องพิลึกพิลัน่นแล้วก็สุดมหาศาัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในบ้านหลัง2หลังเนี่ยเจ้าของบ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านเนี่ยก็พากันอกสันขวัญแขวนไม่รู้ไปรู้ถึงคุณเทียน คุณเทียนกันสูตรนะคะผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านก็เลยได้มาเฝ้าดูเหตุการณ์ประหลาดระยะหนึ่งเห็นท่าไม่ดีแน่หากขืนปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปก็เลยนําเรื่องไปปรึกษากันกับคนรู้จักคุ้นเคยว่าจะหาทางแก้อย่างไงดีว่ามันเป็นผีหรือเป็นอะไรกันแน่ตั้งแต่เกิดมาคือยังไม่เคยเห็นคุณเทียนก็เลยนําเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยค่ะไปปรึกษาผู้รู้ก็เลยได้รับคําแนะนําว่าควรจะไปปรึกษาพลเรือตรีหลวงสุวิชานแพทย์ เะะพราะท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในทางจิตศาสตร์และก็รอบรู้ภาวะเหนือโลกด้วยพลังจิตคุณเทียนก็เลยนำเรื่องนี้ไปกระาบเรียนให้ ท่านหลวงสุวิชานตรวจดูบ้านทั้งสองหลังอย่างละเอียดว่ามีอะไรลึกลับซุกซ่อนอยู่ต่อมาหลวงสุวิชานแพทย์ท่านได้มาที่บ้านสองหลังที่สีแยกสาราแดงสีลมค่ะเพื่อตรวจและก็ค้นหาสาเหตุด้วยการใช้การนั่งทางในจึงได้คำตอบนะคะว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อก่อนบ้านสองหลังเป็นที่ดิน2ผืนมีรั้วกั้นอนณาเขต ต่อมาได้รื้อถอนเป็นผืนเดียวกันเหลือเจ้าของบ้านเพียงคนเดียวซึ่งเมื่อก่อนมีเจ้าของบ้านสองคนอยู่คนละหลังนะคะเจ้าของบ้านแต่ละหลังต่างก็ตั้งสารพระภูมิเจ้าที่ให้ที่บ้านของตนเองฝ่ายละศาลแล้วก็อยู่ติดกันแต่ว่ามีรั้วเป็นกำแพงกั้นไว้เมื่อคุณเทียนสั่งให้หรื้อออกเป็นผืนเดียวกันทาให้พระภูมิทั้งสองแห่งต่างก็ไม่พอใจซึ่งกันและกันจึงเกิดเหตุทะเลาะขวางปากันดังกล่าว ดังนั้นค่ะเพื่อยุติความขัดแย้งของพระภูมิแห่งนี้จึงควรจะทำพิธีแยกไปอยู่คนละมุมของบ้านคุณเทียนได้ทำตามคําแนะนำทุกอย่างเรื่องจึงได้สงบลงนะคะคนที่อยู่อาศายัยอยู่ในบ้านนี้ก็อยู่กันแบบมีความสุขแล้วล่ะค่ะไม่ต้องหวาดภาวากันไปอีกนะคะและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นแล้วแม้พระภูมิเจ้าที่ยังมีกิเลสมีความโลภความโกรธความหลง ครบท้วนไม่ต่างอะไรกับมนุษย์แม้แต่น้อยเมื่อท่านทั้งหลายอ่านมาหรือว่าฟังมาจนถึงตอนนี้นะคะคงจะพากันเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าพระภูมเจ้าที่ในบ้านของคุณหรือที่อื่นๆนั้นมีภูมิเทวดาอาศัยอยู่จริงๆฉะนั้นเพื่อความเจริญรุ่งเรืองนะคะคุณผู้ฟังก็ ควรจะปฏิบัติตนให้ดีคือจะออกจากบ้านก็ยกมือไหว้ขอพรท่านหน่อยนึงกลับมาก็ไหว้เป็นสริมงคลนึงและที่สำคัญค่ะวันพระวันเจ้าหรือวันเทศกาลสาคัญควรปกักธูปเทียนบูชาหรือท่าจะให้ดีนะคะต้องมีอาหารขาวหวานถวายเส้นไหว้ด้วยทำแล้วคุณสบายใจทำแล้วคุณเป็นสุขก็ทำไปเถค่ะจะได้แต่สิ่งดีๆสะท้อนย้อนกลับมาหาคุณเอง